ท่นทุก่านคเรามาพบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนวัดปาดอนไฮโซอุดรธานีกันได้แล้วค่ะน้องส ก, การกระทั่งคะใช่จตุรพอลค่ ะ, จ ะ, จคะโยมณีเนตรค่ะถามคําถา ม, มท่านมาหลายคําถามทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของวินัยสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยคารวาสจาเป็นไหมคะที่จะต้องรู้ว่าพระสงฆ์มีวินัยอย่างไรเออมีส่วนที่สําคัญมากเพราะว่า เราจะได้ทราบว่าผู้ใดมีศีลผู้ใดไม่มีศีลทําไมถึงต้องทราบเพราะว่าถ้าเธอยังเป็นผู้สแสวงบุญนะคือยังหาเนื้อนามบุญอยู่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคนไหนมีศีลไม่มีศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกเนื้อนาบุญได้อย่างหนึ่งอ๋อค่ะ<ม>และการที่จะรู้ว่าพระสงฆ์มีศีลมากน้อยอย่างไรรักษาได้ดีหรือไม่เราต้องมีความรู้เรื่องวิ น, นัยท่านกำจัดหยความอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยท่านต้องตอบคาถามของคุณมณีเนตรแล้วล่ะค่ะ<ม>เพราะว่า รู้สึกจะเป็นเรื่องวินัยล้วนๆนะค ะ, ะคำถามแรกคุณบินิเน่ถามว่าโปรดให้คำจำกัดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนตามพุทธวจนะของคำว่าเครื่องรูปไล้ที่กล่าวไว้ในหลายพระสุขสำหรับสงฆ์และสมณพราหมณ์ค่ะอ๋ อ, อ, อคืออันนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้หลายที่ว่าการให้ทานเนี่ยมีอะไรได้บ้างพระพุะพทธเจ้าก็เคยพูดไ้ถึงอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค นะแสงสว่างประทิปโคมไฟเครื่องรูปไหลรูปทายพวกนี้มีอยู่นะแต่การให้การถวายทานเช่นใช้แพะแกะไก่ที่นาเลือกส่วนไร่นาอย่างเงี้ยไม่มนะีที่จะบัญญัติไว้ก็จะมีอย่างที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ทีนี้คําถามคุณมินเน่คือเครื่องรูปไหลเนี่ยหมายความว่าอะไระก็คือ อ, อย่างเช่นอะไรเสบูอ่ะเสะบู่เป็นเครื่องรูปไหลไดนะ้ใช้ทําความสะอาดาอหรือว่า อยายาหม่องอย่างนี้เป็นเครื่องรูปได้ค่<า>่ะอาถวายพระสงฆ์ได้ไ ม, มไม่เป็น<ด>ยาเหร อ, หรอรคะท่านคะก็เป็นยาที่ลักษณะเครื่องรูปล้ยไงใช้รูป อ, อหรืออย่างบางคนอาจจะถูกมีดบาดอย่างเงี้ย<า>อาจจะมีครีมทา อ, มอย่างนี้นะพระก็สามารถใช้เครื่องพวกนี้ได้เวลาโกนหนวดนะ่ะบาดเราอาจจะมีน้ํามันมาทาอย่างนี้ได้ใช้ายาโกนหนวดแบบสมัยใหม่ได้เป็นเครื่องรูปไลา ไ, ได้ไหมคะท่าน อถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อการประทุนผิวเขาเรียกว่าการเพื่อวความสวยงามเนี่ยได้แหม่ลำบากนะคะ<อ>เพราะว่าพระสงค์ก็ยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับญาติโยมคารวาสแล้วส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ญาติโยมคารวาสเขาจะต้องอธิบายสรรพคุณให้รอใจค่ะยังไงก็ต้องพยายามหาจุดดีจุดเด่นที่ยั่วยวนให้คนรู้สึกว่ามันได้มากกว่าคุณสมบัติปกติใช่ก็อยู่ที่ผู้ใช้แล้วล่ะในกรณีนี้ค ว่าผู้ใช้จะพิจารณาอย่างไรค่ะเครื่องรูปไลน์เนี่ยบางคนอาจจะมองถึงอย่างเช่นครีมกันแดดหรื อ, อว่าอครีมทาไม่ให้ผิวแตกในะอย่างฤดูหนาวเนี่นยผิวแตกคุณทาได้ไหมพระ อ, ะ ก, อก็อยู่ที่ว่าถ้าทาแล้วเพื่อความสวยงามไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ ะ, ะเพราะว่า อ, อะไรรู้ไหมท่านอาจารย์คือปัจจุบันนี้เนี่ยการที่จะขายครีมกันแดดก็จะต้องมีการโฆษณาก่อนอว่า ถ้าท่านไม่ใช้ครีมกันแดดท่านอาจจะได้รับอันตรายจากแสงยูวีใช่ไหมคะทีนี้แหมพระคุณเจ้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะไม่เสี่ยงกับอันตรายเหล่านี้พ้าฟังโฆษณาแบบนี้ก็ต้องต้องใช้อะค่ะโยมก็อยากถวายละเรงท่านเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรทำน อ, นองนี้อ่าก็มีส่วนสามารถใช้ได้อเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้ก็จะอย่างที่ตาม อะไรอ่ะคำแนะนำที่เ้าเขียนไว้ข้างหอนั่นแ่ละนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีไม่มีกลิ่นหอมเพื่อความสวยงามก็ก็ควรใช้อยู่ค่ะก็อยู่ที่เจตนาของผสมผู้ใช้ด้วยมั้งคะใช่ถูกต้องอยู่ที่เจตนาของท่านนั่นแหละนะคะค่ะดังนั้นคำตอบเรื่องเครื่องรูปไลท์ก็น่าจะพอควรแก่การเข้าใจของคุณมณีเมธถัดมาอีกเรื่องเลยค่ะ คล้ายๆก็เลยถามเรื่องแป้งค่ะก็ยังเป็นเครื่องรูปลอ้อยู่นะคะถามว่าแป้งทาผิวกายเนี่ยเป็นเครื่องรูปล้ยสำหรับสงและสมณพราหมณ์หรือไม่หากสงหรือสมณพราหมณ์รับแป้งทาผิวถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ อ, อรับเนี่ยยังไม่ผิดหรอกแต่ถ้าใช้เพื่อเป็นความสวยงามอันนี้ผิดแต่ถ้าใช้เพื่ อ, อ, อไม่ได้ความสวยงามอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นทาเป็นผือนอย่างเนี้ย ท า, ทาได้นะถ้าจะทาแป้งเฉยๆหรือว่าอากาศร้อนอทาบ้างเพื่อให้มันระงับความร้อนลงได้บ้างนะมีส่วนที่ทําให้ระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเหนื่อมาเกาะอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อย่างนี้ส่วนทีนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับข้อแรกถูกไหมคะคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้แต่ว่าในการรับเนี่ย พระสงฆ์รับอะไรก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมคะถ้ารับแล้วไม่ได้ไปใช้ในทางที่ผิดอ uh, รับพวกของพวกนี้นะรับได้ใช่แล้วมีอะไรไหมคะที่ประสงค์รับไม่ได้อย่าได้ไปถวายเชีนะเงินค่ะ <c oughs> เงินและทองรับหรือให้คนอื่นรับหรือยินดีในสิ่ง อ, งอื่นก็รับไม่ให้อันนี้ผิดเลยรับเองก็ไม่ได้รับเองไม่ได้ให้คนอื่นรับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ที่เขาเก็บไว้ให้เอ๊ะท่านค่ะก็เห็นบางที่ พระไม่รับเงินแต่ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้บริจาคเงินในลักษณะที่ให้เขียนใบภาวนาแล้วก็เอาเงินไปหยอดตู้ให้เขียนใบภาวนาเอาเงินไปฝากโย ม, มบางคนในวัดค่ ะ, ะก็คือเป็นลักษณะของการรับปัจจัย4อันสมคูรณแก่สมณจบบริโภคเพราะในใบเนี่ยเวล า, เ า, ามารับมาเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเ ข, าเขียนว่าอะไรถ้าเขาเขียนว่าถาวายเงิน1นึ่บาทถาวายเงิน 10,000 บาทอย่างเงี้ยเราก็เออเราไม่รับเงินรับทองนะคือห่งเขาเก็บไว้ให้เราก็ไม่เอา แต่ถ้าถวายเป็นปัจจัย4นะแล้วรูปแบบของการรับเนี่ยก็คือมีวัยวัชกรที่เป็นผู้ทากิจทแทนสง์ในการจัดการไว้ให้อันนี้ก็สามารถทำได้ะนะเฉะนั้นในรูปแบบก็คือว่าให้วัยวัจกรเป็นผู้จัดการโดยผู้ที่ถวายเนี่ยก็มาบอกกับพระสงฆ์ว่าได้ถวายปัจจัย4ี่อันควรแก่สมนักจะบริโภคนะ วายมอบไว้ให้วายาผูจกรพู้นี้เป็นการดําเนินงานถ้าท่านต้องการสิ่งใดก็ไปหาจากวายาผูจกรพู้นี้ได้ค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่มีแง่มีมุมซึ่งหากอไม่ได้ฟังรายละเอียดนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจประเด็นอยู่ที่ว่าพระสงฆ์กับเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องถูกไหมคะคือรับเองเนี่ยไม่ได้แน่นอนอ่า แต่ถ้ามีการที่มีคนเข้ามาถวายแล้วแสดงเจตนาไม่ใช่ว่าถวายเงินให้พระสงฆ์เอาเงินไปใช้แต่ถวายไปเพื่อปัจจัยสี่แล้วก็เป็นการมอบตัวเงินนี้ไว้ให้วายาวัจกรอย่างนี้ได้เพื่อแสวงหาปัจจัยสี่อันควร น, นั้นเพื่อแสวงหาปัจจัยสีอันควร น, นั้นใช่ไม่ใช่เอาเงินไปเก็บไว้ให้วายาวัจกรแล้ววายาวัจกรนะส่งตัวเลขมาให้ดูท่านท่านเดี๋ยวนี้มีสองล้านแล้วนะสบายใจไหมอย่างนี้นะ ขออีกครั้งหน่ขออีกครั้งได้ไหมคะที่เป็นบทเพียนชนะที่ถูกต้องเพื่อให้อะไรนะคะเพื่อใหเออ้เพื่อให้คระวานเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องน ะ, ค, ะคือพระสงฆ์เนี่ยรับอะไรรับปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะ บ, บริโภคนะรับปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะ บ, บริโภคอะไรอะ่ะปัจจัยสี่ก็เสื้อผ้าเครื่องนุงหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเอานาได้ไหมเอาไปทนานาไม่ได้ แกะได้ไหมหรือว่าม้ารับไปแบกของไม่ได้เรารับไม่ได้รับแล้วรอผิดใช่ไหมแล้วรับอะไรรับปัจจัยสี่ไม่ใช่ทั่วๆไปด้วยนะอันควรแก่สมรจะจบริโพกก็คือไม่ใช่พวกม้าพวกนาหรือว่าช้างเอาม า, าไว้อย่างนั้นน ะ, ะเช่นอะไรบ้างก็ข้าวนะอาหารเครื่องนุ่งห่มย า, ารักษาโรค พ, พวกนี้แหละที่มันสมณะพอจะบริโภคได้อ น, นี้ต้องค่อยศึกษาไปแล้วก็ ถ้าคุณจะมอบไว้เนี่ยคุณไม่ได้มีตัวของคุณก็จะต้องมีผู้ที่ทําการแทนคุณในการที่คุณจะมอบมอบไว้ให้นั่นก็คือวิ ย, ยาวัจกรที่เขาจะอยู่ที่วัดหรือว่าเป็นผู้ที่ภิกษุพวกนั้นมอบความไว้วางใจให้ค่ ะ, ะเท่ากับว่าตอนเนี้ยวิ ย, ยาวัจกรทําหน้าที่ได้สองลักษณะลักษณะหนึ่งคือเป็นตัวแทนของคนถวายใช่แต่อีกลักษณะหนึ่งก็เป็นคนที่ได้รับมอบหมายจากพระถูกต้องนะคะอืมค่ะ พระรับได้เฉพาะปัจจัยสี่อันควรแก่สมณบริภคใช่ใชท่านพูดเมื่อสักครู่เรื่องเอาที่ดินมาถวายไม่ได้แต่ก็มีคนถวายที่ดินให้กับพระเป็นเรื่องปกติเขาทำถูกหรือทำผิดแล้วเขาไม่ผิดทำไมถึงไม่ผิดคะก็ถ้าถวายนาอย่างเช่นนะถวายนาหรือสวนผลไม้อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเอารับมาทำอะไรถ้าให้มาทำนาเนี่ยเราก็รับไม่ได้ ถ้าให้มาทําสวนผลไม้เราก็รับไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพของสมณะใช่ไหมไม่ใช่ใชการเลี้ยงชีพของสมณะแต่ถ้าคุณรับมาให้มาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาให้มาเป็นทำรรวัดหรือให้ม า, าสร้างเจดีหรือสถานที่อะไรที่มันควรแก่สมณะจะบริโภคได้นะอันนี้สามารถทําได้เรารับได้อ๋อเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เพราะเขาคงจะถวายไปให้เป็น เรื่องที่ควรแก่ส ม, มณบริโภคไม่ได้บอกว่าหลวงพี่จะไปทํานานะถ้าหลวงพี่จะไปทำนาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องลงรายละเอียดไปหน่อยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยฟังในตอนอื่นที่เราเคยกราบเรียนถามท่านไปนแล้วนะคะใช่ที้กลับมาประเด็นของคุณมณีเน่ที่พูดถึงเรื่องการรับมาแล้วเนี่ยที่ที่คุณโยมติบอกว่าอะไรที่รับได้รับไม่ได้ใช่ไหม <C> e เราได้พูดถึงสิ่งที่รับไม่ได้รับแล้วผิดเลยก็จะมีเงินที่ดินอะไรพวกนี้ที่ใช้ <C> e เป็นที่นาที่อะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ยังรับได้แล้วพิสูกน์สอ์อาจจะพิจารณาหรือใช้หรือไม่ใช้ก็ก็มีอย่างพวกเครื่องรูปไรยรูปไทยอย่างเงี้ยคุณอาจจะ ถ, ถวายอะไรที่มันมีกลิ่นหอมท่านก็ิดรับมาเนี่ยไม่ผิดแน่นอนแต่ถ้า <C> e ท่านจะพิจารณาใช้เนี่ยก็ก็แล้วแต่ท่านอย่างเงี้ยนะท่านครับประธานโทษ น, นะคะคือยังเคยไปวัดเนี่ยแล้วก็ มีเหมือนกับว่าวัยยาวัจกรก็มาคุยกันเขาก็บอกว่ารู้ไหมพระนี่ก็ใช้ยาสะผมเหมือนกันนะแต่ไม่เคยมีใครถวายอืมที่จริงเป็นยังไงกันคะพระใช้ยาสะผมยาสะผมก็เป็นหนึ่งในเครื่องรูปลายรูปทาเพราะฉะนั้นก็รับได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าถ้าผมมันยาวขึ้นมาก็ต้องใช้เหมือนกันเหรอคะถ้าถามว่าจะมาเองนะในส่วนตัวเราก็ อ, อคืออัตมากรผมทุกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นช่วงวันที่สิบเจ็ดไปแล้วเนี่ยวันที่สิบเจ็ของเดือนไปแล้วมันก็จะเริ่มยาเราก็จะใช้ยาสปูมแต่ก่อนนั้นๆก็จะใช้สปูธรรมดาเนี่ยลูบๆไปอืมค่ะทั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไดิฉันถามจังเลยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนี่แหละนะคะบางทีก็จะซื้ออะไรไปถวายพระดีนะท่านเชื่อไหมคะว่าดิฉันเองเนี่ยแหละจัดรายการธรรมะกับพระบ่อยๆ ทุกวันนี้เวลาถึงคราวที่จะต้องถวายของพระคือเกิดความรู้สึกไหนอยากจะถวายของพระนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรดีกลัวผิดไปหมดนะคะอืมคือคนถวายเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วไงค่ะกคนจะให้เนี่ยนะคุณมีจิตสตาคุณให้ไปเลยไม่มีทางผิดอยู่แล้วคุณให้เงิ น, นยังไม่ผิดเลยคุณให้ที่นาอะไรก็ไม่ผิดเลยแต่คนรับเนี่ยคุณต้องพิจารณาเองผู้รับอ่าให้ความรู้กับท่านแต่ท่านไม่ต้องหนักใจ เพราะว่าจะถูกจะผิดอย่างไรพระจะพิจารณาเองใช่ใช่ซึ่งจะมาจุดประเด็นคำถามที่สามของคุณมณีเนธระดีค่ะดิฉันขออนุอ ญ, ญาตอ่านจ้ะคุณมณีเนธถามว่าพระสงฆ์สามารถรตฏิเศษและชี้แนะปัจจัยที่ผิดพระวินยัยแก่คารวาสที่นำมาถวายได้หรือไม่เ อ, อมีทั้งได้และไม่ได้ค่ะออคือถ้าโดยวินัยเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ผิดหรอกแต่โดยมรารยาทแล้วเนี่ยโดยมรารยาทเนี่ยหมายความว่า คือถ้าคนเขาเขาไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราอธิบายมากไปมันก็จะยิ่งเป็นการเสือสเส่อมศรัทธาเสื่อมเสื่อมความเลื่อมใสเพราะเราก็จะพิจารณาเลือกคนที่เราสามารถบอกได้อ่ะบางคนบอกไม่ได้อ่ะเราก็อนุเคราะห์ด้วยการรับรับไปบางคนพอบอกได้เราก็จะบอกอย่างเงี้ยก็เห<อ> <c oughs> มือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าพูดไปมากไม่ดีถ้าคนเขาไม่เข้าใจใช่มันก็จะหาว่าไอ้พระนี่ เรื่องมากหรือเปล่าว้าเลือกนั่นเลือกนี่อะไรอย่างนี้นะอันอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่ามิจรารนีาณของพระสงฆ์ถูกไหมคะใช่ใช่นะคะอ่าแล้วก็คือเราก็จะต้องพิจารณาบอกแก่คนที่ควรบอกได้แต่จริงๆที่ท่านตอบมาเนี่ยนั้นว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้จักพระสงฆ์จนถึงขนาดรู้อุปนิสัยของท่านบางท<ง><งง>ีถ้าท่านพูดอะไรตรงๆออกมา เรากอาจจะมองว่าเอ๊ะท่านพูดทําไมออืเหมาะหรือไม่เหมาะที่ท่านจะพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อปรุงแต่งอยู่แล้วหรือเปล่าคะท่านคะสั้นๆเลยนะคะที่ฉันเนียดูโทรทัศน์อก็มีแม่ชีคนหนึ่งเ้าใช้รูปหนึ่งเนี่ยนะคะมาตอบคําถามเรื่องว่ามนุษย์เนี่ยชอบปรุงแต่งแล้วก็เลยชี้ทางออกบอกว่าแทนที่จะปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีนะให้เราคิดเป็นในทางที่ดีเช่น มีลูกลูกเป็นคนที่เกเรยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนเกเรให้คิดว่าลูกดีลูกดีลูกดีลกดแล้วเขาจะดีตามที่ปรุงแต่งอันเนี้ยเป็นไปตามคําสอนของพระาศาสดามั้ยค ะ, ะคิดเรื่องดีเนี่เป็นคําสอนของพระเจ้าะนะให้ปรุงแต่งในทางดีอันนี้อนุโลมได้เข้ากับสิ่งที่พระเจ้าสอนอแต่หลักเขาเรียกว่าความเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าถ้าเราคิดดีๆมากเนี่ย สิ่งนั้นก็จะเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่ามันอันนี้มันก็พูดยากะนะสมมติเราบอกว่าเราอยากเป็นเราต้องการเป็นเศรษฐีพันล้านอย่างเงี้ยอ่มันก็คิดไปเรื่อยๆมันก็จะอาจจะไม่ได้คนคนที่เขาอยากเป็นเศรษฐีพันล้านแต่เขาไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่เหตุปัจจยัยเหตุตามเหตุผล เหตุผลของจิตใช่เป็นเรื่องหนึ่งเหตุผลของกายทางกายทางวาจา ก, ก็เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนกันไปถ้าตอบตามเวลาที่พอจะมีได้คร่าวๆก็ลักษณะนี้นะค่ะท่านคะคือดิฉันเองก็อยากจะกล่าวเรียนถามให้ละเอียดกว่านี้เพราะว่ายัางสงสัยอยู่แต่ว่าดูเวลาแล้วถามไปก็คงจะไม่สามารถได้รายละเอียดเพราะเวลาจำกัดวันนี้ก็คงจะเป็นแค่นมัสการขอบพระคุณท่านประเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใช่คุณพาน ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการสังสนีสนนากับคุณช่งสังสนีนาพงและพระอาจารย์ไฟบุญอภิปุโนซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่กับพระม้าชาคราวโรในตอนช่วงต้นของรายการคะในการเราในห่วงเวลาเนี้ยจะขอทําหน้าที่ที่จะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็ต้องพูดชอบคือพูดในลักษณะสัมมาวาจาไม่พูดปดไม่พูดทําให้แตกแยกกันไม่พูดไม่สุภาพนะคะพูดด้วยความเมตตา จิตใจที่ดีแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อจะขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถ้ามีโอกาสท่านเปิดเข้าไปใน f a c e b o o นะคะแล้วก็ใส่ชื่อพูดชอบ p o, o d s h o b ไปในนั้นท่านก็ไปลงนามในใบโพซึ่งจะถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไหมกับหลักการนี้แล้วท่านช่วยบอกหน่อยเถอะว่าท่านจะพยายาม ปฏิบัติเพื่อตนเองแล้วก็เพื่อสังคมทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะรวบรวมภายใน84วันนับตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานี้ น, นะคะให้ได้8ล้าน4ีแสนชื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวในโรการ 84, 000, ส84พรรษาค่ะรายการของเรายังมีหนังสือแจกยังมีซีดีแจกที่ 02-269-0006 ทิ้งคำถามไว้ก็ได้แต่ถ้าท่านขนัดที่จะส่งทางอิเล็กทรอนิก ก็ไปที่ท่านพผบุญโดยตรงนะคะเพียวธรรมะ .com/106 ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ